จากชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งก็วันนี้จะให้วิธีการปฏิบัติที่ว่าเป็นการลัดสั้นเป็นทางด่วนในระหว่างที่เรามีปัญหาหรือมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเช่นว่าเรามีความป่วยไข้ จะเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงก็ตามถ้าร่างกายมันเกิดความป่วยไข้เราก็มีปัญหาเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้แบบวิธีการปฏิบัติแบบรัดๆสั้นๆง่ายๆจำไว้มี3ตัวคือ3ยอ3ยอเนี่ยหรือ3ยอม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 อยากเรียกว่าอยอมให้มันเป็นไปถ้าเรารู้จักยอมให้มันเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเรามันจะหมดภาระทางใจนะหมดภาระทางใจไปเลยในนี้ยออมที่สามก็คือเราต้องรู้ว่าเมื่อยอมแล้วรักษาแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายขึ้นถึงข่าวที่จะต้องตายเราก็ต้องยอมตาย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 สุดท้ายก็ย่อนตายถ้าเราทำใจอย่างนี้ได้แล้วก็ใจเราก็จะหมดภาระจะมีความกล้าหาญล่าเริง